พระธรรมเทศนาลำดับที่สองโดยหลวงพ่ออินทไยสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในโอกาสวันคล้ายวันเกิดครบหนึ่งหนึ่งปีของพระอุดมยานโมรีนวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีนะโมตัสสะโพกวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ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 ของเจ้าคุณปู่พระอุรมยานโมลีหลวงปู่จันศีจันททีโปพันษาของหลวงปู่ณนพะันษานี้เป็นพันษาที่8ปบท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีของพวกเราหลวงปู่ท่านบำเพ็ญมาตั้งแต่สมัยเป็นพระน้อยพระนม แล้วก็บำเพ็ญคุณงามความดีมาโดยสม่ำเสมอแต่ทีแรกท่านก็เป็นสมมเนนอยู่กับครูบาอาจารย์สายพระธรงสายหลวงปู่มั่นมีหลวงปู่อ่อนที่ท่านเคยเล่ า, ลาให้พระลูกพระหลานอย่างหลวงพ่อได้ยินจากนั้นท่านก็มีความตั้งใจอยากจะไปศึกษาปริยัติธรรม จากนั้นได้ก่าปลาครูบาอาจารย์ไปเพื่อการศึกษาแต่ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นท่านให้คติธรรมกับหลวงปู่มากไปแลหลายอย่างอย่างที่หลวงปู่มหาปิ่นถ้าพวกเราได้อ่านในประวัติของท่านหลวงปู่มหาปี่นท่านก็บอกกระองหลวงปู่ว่าถ้าจะเรียนกระเรียนให้จริงๆ จ, จะทาการไหนก็ทาการนะเฮจริงจริงเอันนี้คือครูบาอาจารย์สมัยนั้นท่าน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 ความหมายของครูบาอาจารย์ในยุคนั้นจากนั้นองค์หลวงปู่ของเราก็ได้ไปศึกษาปรยิยติธรรมในกรุงเทพจนได้มหาป ร, ริญญาศีประโยคท่านหลวงพ่อจำไม่ผิดนะจากนั้นท่านก็ออกปฏิบัติทีแรกท่านก็ตุปัตตุเปเมือนกันเพราะท่านยังเป็นพระหนุ่มท่านก็มีแนวความคิดมากหลากหลายเหมือนกันเหมือนกับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ท่านก็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 ก็ได้ขนาดนี้แปลว่าสูงสุดในชนบทเพราะฉะนั้นหลวงปู่ของเราเป็นพระมหาเถระผู้ใหญ่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบโดยสม่าเสมองามทั้งเบื้องต้นท่ามกลางและก็จุดท้ายเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายขนาันธทาญาตโยมทุกหมู่เหล่าที่ได้มาการาบคารวะของหลวงปู่ในคราวนี้ได้มาถือศีลแ น, น่ขํา และเกิมาทำบุญทาทานในมาประพืชปฏิบัติแสดงความเคารพแสดงมุทิตาสักการะในองค์หลวงปู่นับว่าเป็นบุญกุศลนับว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านการที่เข้ามาในคราวนี้ก็เป็นเพียงสามวันคือวันที่8วันที่9แล้วก็วันที่สิบวันนี้ก็เป็นวันที่9้า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 ถ้าหากว่าวันที่สิบเก้าพฤษภานแปลว่าร้อยสี่ปีองค์หลวงปู่จามแต่รู้สึกว่าง่อมเต็มทนเหมือนกันนะรู้สึกว่าท่านก็ไม่แพ้หลวงปู่ของเราเนี่ยแหละอันนี้ก็คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์่ท่านเป็นพระมหาเถรระผู้ใหญ่ที่ทรงคุณค่า เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตย า, าติโยมทุกทุกท่านในพวกเราได้พบได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านับว่าพวกเราเป็นผู้โชคดีอย่างมากนะคณะสัตย า, าติโยมพวกเราคงได้ทําบุญไว้ในอดีตอดีแต่ชาติพวกเราจึงได้มาพบได้มาเกิดในพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็ได้พบพระพุทธศาสนา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 ดินฟ้าอากาศไม่ทำร้ายทำลายพวกเราท่านทั้งหลายจนเกินไปอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นเกิดอยู่บางประเทศบางที่กับแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอย่างนี้หรือสินามิอย่างนี้แต่เมืองไทยของเรารู้สึกว่าธรรมชาติเหล่านั้นฆ่าหรือว่าทำร้ายทำลายพวกเรามีน้อยมากถ้าจะเปรียบเทียบกับต่างประเทศ อันนี้นับว่าเป็นผู้โชคดีพวกเราเป็นผู้โชคดีได้มาเกิดในปฏิรูปประเทศสวาโซจะาอยู่ในปฏิรูปประเทศปุกเพจกะตะปุญญาตาพวกเราคงได้ทำบุญกุศลไว้ในอดีตคือว่าเวลาเราได้พบพระ อ, อริยะบุคคลเรือว่าอะไรทำบุญสุนทานณนะจะฐานที่ใดก็คงจะตั้งความปรารถนาว่าสาธุเนอร์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 อันนี้ถ้าว่าต่อไปภายภาคหน้านะพวกเราอาจจะหลุดหลุดอาจจะไปเกิดที่ต่ํากว่านี้เพอเพออาจจะไปเกิด น, นู่นแต่เอฟริกาที่หัวโตโ ต, โตท้องใหญ่ๆขารีบๆนั่นแนหะที่พวกเราเห็นนั่นแนหะอันนี้แปลว่าพวกเราไม่ได้ใส่ใจไม่ได้ตั้งตนไว้ชอบเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่าน พวกเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยนับว่าเป็นผู้โชคดีอย่างมากหลวงพ่อว่านะทั้งพบชาติทั้งาศาสนาทั้งพระมหากษัตริย์หลวงพ่อเคยพูดว่าบุพการีถ้าพวกเราจะเปรียบเทียบให้เห็นก็นคือบุพการีบุคคลผู้มีอุปการะก่อนก็คือพ่อแม่ของเราท่านเลี้ยงดูเรามา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 อนุสัตทายญาติโยมลูกหลานทุกคนนะต้องใช้การบังคับเหมือนกับเด็กเด็กพวกเราเห็นไหมที่จะไปเรียนหนังสืออวันใหม่ๆเห็นหมูพวกเพื่อนไปก็อยากจะไปกับหมู่พเพื่อนพอวันที่สองพอไปไปเรียนนั่ะกลับมาไม่อยากจะไปนะท่งอเงี้ยไม่อยากจะหนีจากบ้านแต่พ่อแม่ทั้งหลายก็ต้องใช้กุสโลบายบังคับบังเอาอะไรล่อบังเอี่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 นี่แหละเมื่อจิตใจของเรารวมสงบเราจะรู้ได้ว่าเออร่างกายเนี่แตกตายสลายลงสู่ดินน้ำลมไฟแน่นอนเผาไฟทิ้งแน่นอนแต่นมามธรรมคือใจนี่ที่พระพุทธเจ้าให้ความสําคัญที่พอ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ความสําคัญไม่ตายไปติดปฏิสนธิไปเกิดในภพภูมิต่ตางๆ ต, ต, ต, ตัวนี้แหละเป็นตัวสําคัญที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัส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 เพื่อความพ้นทุกข์ก็พ้นทุกข์ได้เหมือนกันอย่างพิกษุณีนางเขมาอย่างนี้ที่เป็นอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารเนีย่ยท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหนันจะหมายเป็ น, เ ป, นเป็นโยมและพระเจ้าจุโทธทนะพระบิดาของพระพุทธเจ้าท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหันท่านก็ไม่ได้บวชนะและอย่างสันติมหาอามาท์ท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระหนันทั้งที่ท่านามาเมาเมาเมาเล่าอีกต่างหาก พอได้ฟังธรรมเทศนาของพระพุทธเจ้าก็ここได้สําเร็จเป็นพระหรหัสเนี่ยพวกเราท่านทั้งหลายก็อยากจะสงสยัยออกทําไมคนเมาเมาอยู่ก็ここได้สําเร็จถ้าอย่างนั้นพวกเราก็ไปกินเหล้าให้เมาซะก่อนแล้วก็มาภาวนาะจะไม่ได้สําเร็จเรยหลวงพ่ออินขยภาวะอย่างนั้นอีกแต่ไม่ใช่นะคณนะทัธาญาจงเดี๋ยวหลวงพ่อจะเล่าเล่าประวัติสันตติมหาอามาตให้ฟังนะสันตติมหาอามาต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 อ่าเพราะว่าสันทติมหามาตเป็นคนจริงจังเชกแล้วก็กลับมาพอกลับมาพระเจ้าประเสที่โกศลก็เออปมปูนบําเหน็จให้เอาให้สันติมหาา ม, มาตเนยเป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เจ็ดวันฮะสมัยมันไม่ใช่ธรรมดานะปูนบําเหน็จให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอยู่เจ็ดวันส่วนพระยาประเสรเนี่ยก็ดูอีกมุมหนึ่งแต่นี่ก็ให้สันติมหาา ม, มาตสวยราชเจ็ดวันพราะเป็น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 เน่ยพ่อได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเอายังไงถึงจะมีความสุขเอาอย่างงั้นไงพอไปลบมาแล้วเนี่ยเมื่อชนะคาดศึกมาแล้วพระเจ้าแผ่นดินปนบาเหน็จให้แต่ตัวเองต้องการยังเอาอย่างสุด ๆ, ๆนะแต่เนี่นพอวันที่7พระพุทธเจ้ากับพระอ น, นุนเดินไปบินตบาดเพื่อจะเข้าประตูเมืองกรุงสาวัตถีสัน ต, ติมหาอํามรท์ก็ขี่คอช้าง กับบริวารใส่ชุดพระราชาเต็มเต็มที่ฮะพอเดินมาพระพุทธองค์ก็เดินเพื่อจะเข้าในประตูกุงสวัสถีสันติมหาอามาติอยู่คอช้างนะเนี่ยไอ้ข้าวตกแหลม่ตกแหลมเ ม, า, มาเมาเหล้าเมาสุรานะ่ยพอเห็นพระพุทธเจ้ายังเคารพพระพุทธเจ้าอยู่นะยังพองงกหั ว, วงั้นแต่ยังพองกหัวแสดงความคารวะพระพุทธเจ้าสแสดงความเคารพในคอช้าง พอจากนั้นก็พระพุทธองค์มองเห็นพระพุทธเจ้าก็าลองเยิมแมแย้มพระโอษนะพอแย้มพระโอษท่นี้พระอรนนท์ก็ถามคือตามปกติในถ้าไม่มีเหตุพระพุทธเจ้าจะไม่แย้มพระโอษจะไม่ยิ้มแต่คราวนี้ท่านแย้มพระโอษพระอรนนท์ก็กราบทูลถามพระพุทธเจ้าว่าเพราะเหตุใดหนอพระพุทธองค์จึงแย้มพระโอษพระเจ้าข่าด้วยเหตุอันใดพระองค์จึงแย้มพระโอษพระเจ้าข่า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 ที่ได้รับพระราชทธธานมาเนี่ก็ออกไปเต้นลัมในกลางบงไงพอเต้นลําได้หน่อยหนึ่งเท่านั้นน่ะนางนก็อดอาหารไม่ได้ทานอาหารเพื่อความจะเป็นเป็นนางที่โดดออกไปเพื่อจะอ่อนแอนอว่องไวแสดงลีลานี่พอในสุดนางนก็เป็นลมท่นี้นคือคงจะหัวใจวายอย่างที่ว่า น, นางก็เลยหัวใจวายตายในกลางบง พอในตายในกลางวงเทอเนี้ยสันติมหาบาทดูตาค้างเลยสิเอา้าไปดูใช่ไปไงเขาไปดูโอยนางตายแล้วฮอนางนีง่ตายแล้วครับผมเหพอสันติอมาตได้ยินว่าภรรยาของตัวเองตายเท่านั้นแหละรู้สึกว่าเหล้าที่ดื่มมาทั้งเจ็ดวันนะ่ะหายเกลี้ยงไปหมดเลยสิหายเมาเลยสิไม่รู้หายไปไหนหายเมาหมดเลยจากนั้นโอ้โอ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 แต่นี้ข้าพระองค์ดูตัวเองว่าเออเราเกิดมาทั้งที่ชีวิตเนี่ยเราจะทําอะไรให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นข้าพเจ้าจะทําอันไหนที่ดีที่สุดทีาไม่เบียดเบียนตนและผู้อื่นเพราะในฐานะของข้าพเจ้าก็พอมีอยู่มีกินเอาเถอะข้าพเจ้าจะประกาศให้คนทําบุญนะจากนั้นชายคนนี้ก็เดินไปแล้วพี่น้องลูกหลานคณะสัตธาญาติโยมเนะ เย็นวันนี้เป็นวันพระนะ้ไปฟังเทศฟังธรรมพระพุทธเจ้านะ้าตอนเช้าพระพุทธเจ้าจะไปเสด็จไปที่โน่นที่นี่ตักบาตรนะ้าทำบุญนะ้าให้ทานนะ้าให้มีศีลห้านะ้าอย่าไปทําความชั่วนะ้าอันนี้คือบุรุษนั้นมีหน้าที่เป่าประกาศใครจะฟังหรือไม่ฟังก็สุดแท้แต่มีหน้าที่เป่าประกาศตลอดแต่นี้พอต่อมาพ่อของพระบิดาของพระพุทธเจ้า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 จะไปที่ไหนก็ไปนละยประกาศพอต่อมาได้ยินอีกเอามันยังประกาศอยู่แล้ว เ, เธอทําอะไรผมขี่ม้าไปครับโอ้ม้าเนี่ยมันยังนั้นจะเอาขึ้นรถมา้าลรถม้าสี่ตัวขึ้นประกาศพอต่อมาอีกเธอจะเป็นทํำยังไงขึ้นรถม้าไปครับเออเอามันยังไม่สมควรเอารถเอาช้างไปทีนี่นี่แหละสันตติอมาตย์ก็เลยขึ้นคอช้างไปประกาศทําให้คนทําบุญทําทาน ด้วยบุญด้วยกุศลของข้าพเจ้าในภพนั้นชาตินั้นผิวของข้าพเจ้ามีกลิ่นหอมเหมือนกับไม้จันหอมแล้วก็ปากของข้าพเจ้ามีกลิ่นเหมือนก ล, กลิ่นดอกบัวออกมาจากปากของข้าพเจ้าในภพนั้นชาตินั้นข้าพเจ้าได้ทําบุญในชาตินั้นมากที่สุดที่ข้าพเจ้าได้บําเพ็ญมาเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้ทํามานั้นติดภพติดชาติมาถึงบัดนี้ข้าพเจ้าได้ทําคุณงามความดี เพิ่มเติมอีกมากมายหลายหลายอย่างแต่มาพบนี้ชาตินี้เห็นไหมขนาท่านจะได้มักได้ผลอยู่แล้วกีบเมฆหมอกจะมาปิดบังจนท่านได้เมาเออเมาจะจนไม่มีอะไรที่จะดีจนลืมหลงบัวเมาแต่ถ้าว่าไม่ได้เจอพระพุทธเจ้าก็ไม่รู้จะไปทางไหนอีกเหมือนกันแต่นี่สันติมหาอมารรตเป็นผู้โชคดีอย่างมาก ท่านเมื่อหายเ ม, เมื่อเมาถึงขนาดนั้นแล้วท่านจังลำลึกถึงพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าของเราก็ได้แสดงทำให้ฝังจากนั้นท่านก็ได้สำเร็จมรรคสำเร็จผลเป็นพระอระหันต์จากนั้นพอได้ประ ก, กาศทำให้แก่พี่น้องประชาชนกล่าวโทนพระพุทธเจ้าให้พระพุทธเจ้าได้รับทราบแล้ว่านบอกกับผมขอปรินิพานลาปรินิพานพระเจ้าค่ะ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 ที่ทูลกระหม่อมควาหญิงมาถแถลงข่าวที่วัดป่าบ้านตาดว่าจะต้องสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ของหลวงตาแน่จะสร้างเจดีย์แน่อ่อย่างนี้แหละอันนี้ก็คือสร้างขึ้นมาแล้วก็เพื่อบรรจุพระาธาตุขององค์หลวงตาที่พระอบทองคําจากนั้นพวกเราก็จะได้กราบได้ไวาเคารพสักการะบูชาพระองค์หลวงตาเป็นผู้มีกุญูปการต่อชาติต่อประเทศต่อโลกอย่างมากอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็น เห็นไหมหลวงตาทําอะไรช่วยเหลือชุมชนโรงพยาบาลโรงเรียนจนหาทองคําเข้าคลังหลวงถึง13ตันดอลล่าอีกสิบล้านสองแสนกว่าดอลล่าถ้าคิดเป็นเงินไทยออกมาทุกวันนี้เกือบจะเข้าเป็นสี่หม exactly ื่นสี่หมื่นล้านมากมายนั่นแหะคุณอุปการทางด้านวัตถุทางด้านนามธรรมแล้วหลวงตาได้ช่วยประเทศชาติบ้านเมือง ได้แนะนําสั่งสอนจิตญาณุสิตสิ่งไปอย่างนี้นะสมาธิเป็นอย่างนี้นะปัญญาเปอย่างนี้นะถ้าพวกเราได้ฟังแนวทางคาสอนขององค์หลวงตาแล้วมีแต่นี่เป็นแต่ทำคําสอนขององค์หลวงตาที่ลึกซึ้งมากนํามาประพฤติปฏิบัติได้เพราะฉะนั้นพวกเราจึงได้รวมกันเพื่อจะสร้างเยดีพิพิธภัณฑ์องค์หลวงตาที่วัดป่าบ้านตาเนี่แหละอันนี้คือความเป็นมาของสันติมหาอํามาตย์ก็เหมือนกัน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 ถึงจะไม่พ้นทุกในวัฏสงสารในพบน้ชาตินี้แต่พวกเราก็เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยเป็นแนวทางเป็นเครื่องเกื้อกูลหนุนต่อไปในพบภูมิในพบหน้าชาติหน้าการกล่าวธรรมเทศนาหรือว่ากล่าวสมโมทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพัฒศรีรันตนไกรพระพุทธเจ้า